ลูกรลักทั้งหลายสำหรับวันนี้เป็นวันที่ยี่ิห้าเมษายนสองพันห้ารอยี่สเอ็ดเวลานี้พ่อและคณะลูกบางส่วนอยู่ที่จังหวัดยะ ล, ลาทักอยู่ที่บ้านคุณหมอบุญยศิทธิ์และก็คุณละพีเลขก ค, คุณ เวลาที่ทำการบันทึกเป็นเวลาเก้านฬิกาสามสิบสามนาทีสำหรับการบันทึกเสียงวันนี้ก็ต้องอาศัยบารมีของคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นเหตุเกินวิสัยที่เราจะพึงทราบกันได้ก็ต้องขออเชิญท่านผู้มีพระคุณบางท่าน คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณผู้นี้เป็นท่านเจ้าคุณอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วคือท่านเจ้าคุณขนช้างที่เราเรียกกันว่าขุนช้างแต่ความจริงเลือกแท้จริงๆ ค, คําว่าขุนช้างเป็นชื่อเจาของบ้านแถวาบ้านเขาเรียกกัน แต่ว่าเนื้อแท้ของท่านจริงๆท่านเป็นพญาชืา่อว่าพญาอะไรพระยาพานุ ม, มาตรแต่ความจริงคาําว่าพญาพานุ ม, มาตรนี้เห็เนยังเป็นชื่ อ, อย่อท่านบอกยาเหยียดเป็นได้กลในการบํารุงช้างรักษาช้างหาช้างเพื่อกองทัพ ต่อไปก็จะต้องอาศัยท่านเจอคุณท่านว่ามายังไงพ่อก็จะไม่ขอพูดเป็นการโต้ตอบกันเพราะมันเสียเวลารับฟังมาท่านว่ายังไงก็ขอว่าไปอย่างนั้นด้า น, นกล่าวว่าที่ท่านถามผมถามผมแล้วก็ถามไม่ยัง เรื่องที่คุณจะพูดได้กันทราบมันก็ขาดไปขอย้อนหลังใหม่ถึงเรื่องของเจ้าแก้วเจ้าแก้วนี่เดิมทีปรารถนาพุทธภูมิคนที่ปรารถนาพุทธภูมิมีความรักคนอื่นมากกว่ารักตัวอาศัยความรักในคนอื่นมากจึงไม่ห่วงตัวเป็นสาคัญ คัพุทธภูมิต้องขยันในการเกิดรียเพาะ อ, อย่างยิ่งเจนว่าในฐานะที่ความเป็นคนไทยคำว่าไทยในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่ต้องการจะเป็นทาสของใครในแก้วเกิดในกลับนี้จะเพราะกับนี้เกิเกิดมาแล้วเกินกว่าเจ็ดสิบครั้ง ที่มีความสำคัญแได้เกิดที่ไม่มีความหมายหมายความว่างานเล็กเกินไปแต่ว่ามีความสำคัญเกินกว่าสามสิบครั้ง <c oughs> รวมความว่าเฉพาะกับนี้กับเดียวในแก้วก็เกิดตั้งร้อยครั้งนี่เขาก็ยังเกิดจุดง่ายๆที่จะสังเกตเห็นสมัยที่ไทยย้อนกลับ มาเพื่ออยู่ในถิ่นฐานเดิมแต่ไทยได้อยู่เป็นย่อมๆย่อมเป็นจุดจุดตั้งแต่พื้นที่เดิมที่พูกเป็นอยู่เวลานี้เรื่อยเรื่อยขึ้นไปจนทั้งทึงกระทั่งถึงเขตประเทศจีนประเทศแขกประเทศสมาชิาไทยก็อยู่เต็มไปหมด แต่คํำมาเต็มไปไม่เห็นไม้ความมาเต็มพื้นที่เป็นจุดเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยปกครองกันเป็นพวกไม่มีคํำบาเมืองและเป็นว่าเฉพาะในเขตหลังนี้เจ้าแก้วก็เกิดเป็นพระเจ้าพรหมมหาราชแล้วก็คุณเมืองมารสมัยสุขโขทยัยแล้วก็มาเป็น หลังจากเขาขุนเมืองมาสุ่โคไทยแล้วตอนนั้นมาก็เป็นเจ้าแผนจากเป็นเจ้าแผนแล้วก็เป็นเจ้าเหล็กจยากเป็นเจ้าเหล็กแล้วมันก็ตายตายแล้วอาศัยที่จะเรินชาสมาบัติดีกําลังใจเข้มแข็งเวลาจะตายเข้าฌานตายนอนตายแบบสบาย แต่ก็หาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยที่เป็นจะแผงก็ดีเป็นเจ้าเหล็กก็ดีเจ้าแก้วมันตายอย่างชนิดเรียกว่าตายอย่างหมาเอแปลกถามว่าตายอย่างหมามันไปยังไงแล้ก็บอกว่าตอนนี้ย้อนตอน้นชนิดถามตอบคนหน่อย เรีว่าตายอย่างหมาก็เพราะว่าเจ้าแก้วมันวางภาระสั้งหมดหลังจากวางดาบแล้วก็เป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงวิปัญนาตามสมควรและหลังจากนั้นเวลาตายก็ตายแบบสงบคือไม่มีคนมากต้องการอยู่ในดินแดนที่สงบ เมรินแดเมื่อเป็นคนที่เคยมีบริวารมากแต่ตายคนเดียวเรียกว่าคนที่ประคับประคองสองสามคนเขเลยเรียกว่าตายอย่างหมาเป็นในการตายที่ทุกคนรักความสงบชอบไม่ต้องการบริษัทบริวารท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวกับสมาธิและวิปัสสนาญาณ มุ่งหาจุดสงบเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาที่เขาตายพระจึงไม่ต้องไปใช้หนี้ในการฆ่าคนท่านพูดต่อไปนิดหนึ่งท่านบอกว่าท่านถามพมเลยไปคนจะให้เด็กๆทราบเพื่อเป็นประโยชน์กับการเจริญพระกรรมาฐานนั่นก็คือคนสมัยนั้นเจริญพระกรรมาฐานทรงสมาธิกันเป็นปกติ มีการให้ทานมีการทรงเสียนเจริญวิปัสนาญาณด้วยช่วยให้กําลังใจมีความสุขมิฉะนั้นแล้วกําลังใจจะไม่มีความสุขนอนเมื่อไรหลับเมื่อไรเงียบเมื่อไรคิดอยากจะฆ่าคนที่เป็นข่าสึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นาการระงับอารมณ์ใจชั่วแบบนี้จะได้หันเข้าหาพระเขาถือพระเป็นที่พึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากพระวิชาความรู้ทุกอย่างมาจากพระการรบก็จากพระเพราะว่าพระโดยมากเป็นนายทหารที่ไปบวชวิชาการปกครองก็มาจากพระวิชาการเศรษฐกิจการคลังทุกอย่างมาจากพระหมดและก็พระสมัยนั้นก็มีคนมีประโยชน์กัประเทศชาติมาก เป็นปากเป็นเสียงให้แก่รัฐบาลเป็นสื่อกลางติดต่อกับประชาชนคือพุทธศาสนกที่มีความเคารพดังนั้นการปฏิบัติในการปกครองประเทศจึงมีความสะดวกเพราะอาศัยพระเป็นกำลังแท้ <c oughs> พระสมัยนั้นมุ่งความประโยชน์คือความสงบสงัดรักความเป็นอิสระภาพคือความเป็นไทย สอนให้ทุกคนมีปัญญาดีมีความรู้ดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอปจา ย, ยน ก, กรรมคือความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่หรือบุคคลผู้มีคุณสร้างสองสั่งสอนให้รู้จักการนอบน้อมรู้จักการกระตัญญูรู้คณแต่ต่อท่านผู้ใหญ่ มีความเคารพในผู้บัญชา บ, บังคับบัญชาด้วยเหตุผลนี่ท่านมีจุดจํากัดว่ามีความเคารพในบังคับบัญชาด้ยเหตุผลถ้าไร่เหตุไร่ผลไร้ระเบียบอันนี้พระก็สอนเหมือนกันห้ามปฏิบัติตามแล้คนทุกคนก็ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเมื่อมาบ้านพ่อแม่ก็สอนแบบเดียวกัน แสดงความดีของกำลังใจจึงฝังใจในคนสมัยนั้นอยู่คนสมัยนั้นเป็นคนที่มีจริยาดีไม่เลวสามอย่างตำนานที่เขาขับร้องและแต่งขายใน <c oughs> จุดหนึ่งที่ท่านไม่ถามผมแต่ผมขอย้อนตอนนี้ของดีไม่ควรจะผ่านไปนักเจริญสมาธิมีปเสนายาน ถ้าจะใช้ความสามารถทางด้านนี้ไปทำการรบไม่มีผลเพราะว่าชานยันสมาบัตขององค์สมเด็จพระทศพลต้องใช้แต่ในส่วนที่เป็นการสงเคราะห์การเกื้อกูลวางในความสุขแต่การที่ก็ใช้สมาธิเป็นผลในการอยูโยงคงกระพันหรือว่าทำทุกอย่างได้ในประโยชน์ในการรบ เขาทำกันแบบนี้เขาพยายามฝึกหัดการปลุกตัวกันการปลุกตัวนี่ทำจนกทั่งไม่ต้องทงตงทั้งท่ามากพอนึกขึ้นมาเมื่อไรไม่จะขึ้นทันทีอันดับแรกก็จะมีการสั่นสะเทิมก่อนแล้วก็สั่นมากมากเพื่อมีการโดด ถ้าจุดที่ดีสุดเช่งการปลกตัวสมาธิมีกําลังเต็มที่เช่นปลุกหัวใจควายเ่อเต็มที่แล้วจะมีาการสแสดงเดินสีขาไม่ควายลงเฟือเห้งโครนไม่ได้วิ่งเข้าไปคุกโคลนฝึกหัวใจเสือจะสแสดงอาการออกเหมือนเสือแต่ฝึกหัวใจระยสีจะสแสดงมนแล้จะสี ปลุกควใจหมูจะสแสดงเหมือนหมูถ้าปลูกคุยใจหมาจะมีท่าทางเหมือนหมาโดยมากข้าอาจิตไปจับหมาตัวใดตัวหนึ่งถ้ามันมั น, ม, นมันเชื่ออะไรอาการเขามันเป็นยังไงไม่ต้องพูดคิดว่าเราจะปลูกคุวใจหมาจาริยาเป็นไปตามนี้พอปลูกคุยใจหมาแล้วจะหมาตัวนั้นมั น, สนแสดงยังไงเจ้านี่ทําได้หมดด้วยการปลูกหัวใจหมาต้องลําบากหน่อย ว่าเจ้าหมานี่มันชอบเยี่ยวดังนั้นพอบลูกเข้าใจหมาเสร็จคนที่ปลุกขึ้นแล้วก็จะอยากจะแก้ผ้าออกถ้าใครเข้าไปขัดคืนมันมันก็จะไล่กัดมมนจะเห่ามันจะกันโชคแบบหมาเนื้อไปถึงจุดไหนเมื่อวิ่งไปสีข่ขามันจะเยี่ยวเป็นระยะระยะเวลาค้ากลับมามันจะสดกลิ่น นี่เขาทำกันถึงขนาดนี้จึงมีประโยชน์ในการใช้ในการคงกัพัญชาติเวลารกและส่วนที่ประโยชน์ในการปลกตัวทุกคนถ้าปลูกจนชินการปลกตัวที่มันจะขึ้นนั่นก็คือตัวสมาธิแต่ถ้าว่าเราไปใช้กันในส่วนคนด้านอากุศลมาก ในเวลาที่อีกนำกำลังใจมาใช้ในด้านกุศลก็มีผลหนักจับสมาธิขึ้นได้ฉับกันชาญสมาบัดทรงตัวดังนั้นเรื่องนี้ท่านไม่ถามผมนี่ก็ผมก็เลยพูดเลยมาเมื่อถามแล้วเมื่อมาพูดกันคราวนี้คิดว่าท่านไม่ถามผมก็พูดอันนี้เป็นวาทะของท่านพูใหญ่คือท่านเดยวคุณพานุมาตร <c oughs> เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์น่ากะควรอย่าถามเมื่อท่านไม่ถามผมก็จะต้องบอกท่านเพื่อเป็นประโยชน์ก็มันดาล ล, า ล, าาาลูกหลานท่านหลายเพราะลูกหลานท่างหลายนี่รู้สึกว่าเธอเป็นคนดีมากติดตามท่านมามากท่านในคนเขาเขียนชื่อมาเป็นแถวอย่าจะรู้ว่าใครปิดเป็นอะไรกันบ้างนี่ไม่ต้องเปิดตำราผมไม่บอกหรอก ถ้ามานั่งไล่บอกกันแต่และ ค, คราวแต่และคราวพราแต่ละคนนับเกิดมาแล้วเป็นแสนแสนชาติที่ผมรู้ก็นในฐานะที่เวลานี้ผมไม่มีขันห้ามีสมมาภาวะแปลทิสมาในกายที่เรียกกันว่ากายทิพย์ความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของจิตสามารถจะรู้อะไรได้ทุกอย่างกี่ชาติกี่พบก็ได้ เว้นไว้แต่ธรรมะบางส่วนที่มีกำลังสูงขึ้นไปนี่ไม่สามารถจะแก้ไขตนเองได้ก็ต้องถามพระขอบอกกท่านตรงๆว่าบรรดาลูกหลานทั้งหลายที่ติดตามท่านมาปัตตานีนี่แล้วก็ลูกสาวหลานชายที่อยู่ที่ปัตตานีนี่ก็เหมือนกัน ถ้าอยาถามว่าติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อไรก็ต้องขอตอบว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะต้องใช้เวลาถอยหลังจากนี้ไปทั้ง16อสงไขยกับแสงกับติดตามกันมาเริ่มตั้งแต่ตั้งระยะดี แต่ก็มีส่วนมากในจำนวนนี้ติดตามมา ก, ก่อนนั่นที่ยังไม่เริ่มทำการดีคือไม่เริ่มปรารถนาพุทธภูมิในสมัยโน้นเขาก็มีเมืองใหญ่อย่างนี้ถอยหลังไปสิบหกระสงไขกับแสงกลับก็มีพระพุทธเจ้าโทรงตปขึ้นในการนั้นทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้า ก็ว่าพระพุทธเจ้ามีอายุมากอายุของคนในสมัยนั้นเท่าแปดหมื่นปีดังนั้นลูกหลานบริวารของท่านจริงมากเพราะคนอายุนานา น, นานเทวดาก็ดีพรหมคนดีสติในชานสุรกายสัตว์นรกที่มาเกิดนี้ก็เกิดกันมากและเมื่อมารวมตัวกันมากเหงความดีของพระพุทธเจ้าก็มีความเรื่อมใส ท่านเข้าไปปรารถนาพุทธภูมิบรรดาคณะของท่านทั้งหมดที่เป็นลูกบ้างหลานบ้างที่มาติดต่อกับเวลานี้ไม่ใช่ใครเหลืออยู่เวลานี้ก็ลูกกับห ล, ลานบางคนก็เป็นลูกมาแล้วก็มาเป็นหลานเป็นหลานแล้วก็ไปเป็นลูกกลับกันไปกลับกันมาอยู่อย่างนี้แต่ละชาติ วกวนกันไปวกวนกันมาทุกคนก็ตั้งใจตั้งปรารถนาว่าเมื่อท่านสําเร็จพระโพธิญาณเพียงใดเมื่อใดเขาทั้งหลายเหล่านั้นขอร่วมสําเร็จด้วยขอเป็นสาวกได้ความจริงมีเป็นจํานวนมากเขาควรจะได้อดัตตะผลไปนานแล้วแต่ว่าเจ้าแก้วมันเป็นคนถ่วงเวลาเขาเจ้าแก้วไม่ใช่ท่านนะ เจ้าแก้วเนี่ยมันไม่ใช่ท่านผมพูดถึงท่านเม่กี่นี้แล้วไปพูดถึงเจ้าแก้วมันเป็นคนถ่วงเวลาเพราะจาแก้วมันเป็นคนชาตินิยมเจอเกิดกี่ชาติกี่ชาติมันก็ชาตินิยมอยู่อย่างนั้นถ้าพูดถึงอาิมาตาย <c oughs> มันก็เป็นอัตาที่ตยอยู่ตลอดเวลาคําว่าอัตาที่ตยถือตนเป็นใหญ่ ค้าว่าตนเป็นใหญ่ในที่นี้ก็ถือว่าถ้าสิ่งใดก็ดีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมนลสย์มนชนที่นับเรื่องถึงกันร่วมชาติร่วมาศาสนาร่วมเผ่าพันธุ <c> ์ <oughs> มันจะถือว่าต้องเอากําลังกายของมันกําลังใจของมันชีวิตะเลือดเนื้อของมันเข้าไปเป็นแรง ก, กันต้องการให้คนทุกคนมีความสุขถ้าใครจะมาคายค้านแก้แวแก้ว กลัวว่ายาแก้วมันจะตายเวลาที่มันแจกจ่ายทรัพย์สินกลัวว่ายาแก้วมันจะอดอย่าไปหวังเลยมันไม่ฟังใครหรอกมันถือว่ามันมีความสําคัญกว่าใครทั้งหมดเรื่องอดเรื่องกินกินมีกินมากกินน้อยก็ตามมันถือว่ามันเป็นเรื่องของมันเรื่องการแยกป้องกันสรรพอันตรายก็ของใช้กนดีขโมวลชนหมเดียวกันก็ดี แก้วแก้วมันถืออัตราธิปไตยเป็นสําคัญหรือว่าถือว่าตัวเป็นใหญ่ถ้าเห็นว่าสมควรแล้วใครจะมาห้ามมันเลยห้ามไม่ได้เจ้านี้นี่ใยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่มันเป็นพระยาการบุรีหรือเจ้าพระยาการบริสีสุนทรอริพนั้นชื่อมันยาวเหยียดเวลานั้นถ้าความร่ำรวยของมันจริงๆแล้วถ้าอยาวรวยกันมันก็รวยกว่าผม แต่ถ้าว่าที่เงินที่มันสะสมไม่มีน้อยเพราะว่ามันแจกเขามากถ้ากล่าวโดยปริมาณจริงๆแล้วมันรวยกว่าผมมากนี่เขาบอกว่าคุณแผนจนคุณแผนจะรู้สึกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในตนจนจรงิงแต่เงินที่เข้ามาถึงหาหมือคุณแผนด้วความจริงคําว่าคุณแผนนี่ไม่มีในธรรมเนียบเอาราชการชาบ้านเขาตั้ง คุณผงคนดีคุณช่างกนดีชาวป้านตังที่เรียกว่าคุณช่างเพระว่าเผาพันเป็นคนหาช่างให้แก่กองทัพรักษาช่างฝึกฝนช่างเพื่อการรบเขาจึงเรียกคนเผ่านี้ว่าเผาคุณช่างซึ่งแบบคุณแผงก็เหมือนกันที่เรียกกันว่าคุแผนเพราะมันเป็นคนออกแบบออกแผน จ, จู่จี้โจกจิตเห็นอะไรไม่ดีก็จัดสรร ราบถวายบังคมทูงสมเด็จพระวรณศาสน์รองก็เห็นด้วยทุกประการอาศัยที่มันเป็นคนวางแผนชอบเปลี่ยนชอบแปลงชอบจัดระบบให้สมดุลอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกกันว่าขุนแผนแต่ไม่ใช่ขนวางมาตวางแผนเตะท่าใหญ่กว่าคนนั้นคนนี้ความจริงมันไปที่ไหนไม่ใครไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นคนหนา มันชอบคุกคลีตีโมงก็จะบ้านอยู่ตลอดเวลาทำเป็นกันเองอยู่เสมอเอาละตอนนี้ที่พูดกันมาก็พพือ่อจะเตือนลูกเตือนหลานท่านพูดไปตามเสียงผมพูดเมื่อลูกหลานถ้าจะเจริญพระกรรมฐานให้มีผลถ้ามีกำลังจริงๆเวลายามว่างก็มันตกตนตกตัว ให้มันขึ้นตามลำดับนั่นก็คือเป็นการมหัดฝึกสมาธิที่เป็นการดึงกำลังใจให้เป็นสมาธิได้ง่ายได้รวดเร็ ว, รวการปลุกตัวนีเปัญญาคล้ายทาเล่นๆแต่ได้ว่าผลจริงๆคือกำลังสมาธิจะตั้งมัน่นการฝึกที่เป็นขุยยก็ดีการฝึกทางด้านฤทธตัว ด, ดีเช่นมนโนมิทธิเลื่อพัญญา ถ้าฝึกตนได้ดีแล้วจะฝึกด้านนี้เป็นได้ง่ายๆเป็นของง่ายแล้วก็แจ่มใสรวดเร็ ว, รวนี่ท่านถามว่าหมา่กันแล้วว่าเวลาการรบเขาใช้โอกาสในการฝึกตัวโดยใช้สมาธิที่เรียกหรือว่าไม่ใช่สมาสมาธิดูการเคลื่อนไหวท่องข้าศึกบ้างหรือเปล่าท่านเยอคุณ ตอบมาบอกว่าเขาใช้เขาใช้สมาธิเหมือนกันแต่ว่าใช้สมาธิเห็นผีหรือว่าใช้สมาธิเรียกผีก็หมายความว่าเวลาเจ็บลอกตัวนี่เขาใช้เวลาปลอกตัวเหมือนกันที่เล่นหยาบยาบที่ละเอียดอย่างเจ้าแผ่นและเจ้าแก้วนี่มันใช้ผีตรงๆง มันเรียกวิญญาณของใครคนหนึ่งคนหนึ่งมาที่พอมันจะใช้ได้มันก็ส่งไปดูลาดเหล่าของข้าศิบทั้งแนวหน้าและแนวหลังและแนวหนุนตลอดจนแม้กองสำเรียงเจาเคลื่อนจะไหวไปเวลาไหนมันทราบจากผีแต่ละเวลาเจ้านี่มันเก่ง๋ อ, อที่ถามว่าแล้วก็จะคนเก่งไหม เพราะถ้าเรื่องนี้เจ้าคุณก็ต้องเก่งเหมือนกันการบังคับช้างการจับช้างการควบคุมช้างเขาก็ต้องใช้หลักวิชาควบคุมเหมือนกันไม่อย่างนั้นมันลําบากถ้าใช้หลักวิชาคือการปลุกตัวก็มันจิตมันเข้มแข็งถ้าจิตมันเข้มแข็งกว่าสัตว์สัตว์มันก็ยอมแพ้จะบังคับยังไงมันก็ได้ที่ถามมาว่าการปลุกตัว แย่ได้รู้กำลังของข้าศึกการเคลื่อนไหวของข้าศึกใช้วิชาอะไรปลุก <c oughs> ท่านเย่ยคุณตอบมาบอกว่าการปลุกตัวนี่เขาก็จะต้องใช้กำลังปลุกตัวด้วยกำลังของใครคนใดคนหนึ่งที่เรามือเพิ่งมีความชอบใจที่ในสมัยนั้นเขานิยม พระสยามเทวาธิราชแต่ความจริงสมัยนั้นเขาเรียกไม่เรียกว่าพสยามเทวาธิราชอย่างว่าในสมัยพระพหลษานีเขานิยมปลุกคือเชิญวิญญาณเข้ามาเจ้าโอทองบ้างเชิญวิญญาณของพ่อขุนสีอินทราทิดบ้างเชิญวิญญาณเข้ามาขุนผามเมืองบ้างเชิญวิญญาณเข้ามาเจ้ารามคำแหงบ้างอย่างนี้เป็นต้น เมื่อนึกถึงท่านแล้วก็ปลุกตนท่านถามเลยว่าหัวใจที่ปลุกจใจท่านเบญจฯใช้กําลังจิตของท่านมาสู่ในตนแล้วก็บอกใช้คาถาว่ายังไงคาถาที่ใช้นี่เขาเรียกว่าสุนัขขตังสุนัขขัดตังนี่ถ้าแปลตามภาษาบาลีแปลว่าฤกษ์ดี เมื่อเชิญคนดีมาก็ใช้คาถาอย่างนี้แต่ว่าเป็นลาปลุกย่าไปแปลนะนึกไว้ว่าสุนัขตัง้งสุนัขตัง้งสุนัขตัง้งอันดับแรกก็ตั้งใจเชิญท่านนหลายเหล่านี้มาสู่ตนให้วิญญาณของท่านมาสูมตนแล้วก็ภาวนาเมื่อภาวนาไปจิตส่งสมาธิ ด, ดีมีพอจะรับได้กําลังวิญญาณของท่านก็จะมาสวไกาแล้วก็จะบอกความประสงค์ทุกอย่าง ที่ต้องการพร้องกับการแนะนำที่ท่านถามว่ามีการคล้ายกับเชิญทรงใช่ไหมท่านเองคุณบอกว่ามันคล้ายกับท่งแต่ม่าอย่าร่งคือเอาเชิญมาพูดกันเลยไม่ามาท่งกันถ้าจะพูดว่าทรงก็คล้ายท่งแต่่มีอาการผิดกันอยหน่อยเนี่ย เมื่อปลุกตัวโดยเชิญใช้ศัพพะสุนทะกต่างตั้งใจถึงท่านผู้ใดผูหนึ่งท่านจะมาเฉพาะกิจโดยเฉพาะไอ้อกิจถ้าที่เราคิดไว้ถ้ามีการบกกร้องท่านก็จะแนะนําเมื่อแนะนําเสร็จก็จะบอกระยะเวลาการเข้าโจมตีการริดรอนกําลังของข้าศึกและก็จะบอกผลจะบอกบุคคลที่มีความเข้าร้าย ว่ากำลังของเราเข้าไปคำนี้จะตายสักกี่คนที่จะตายก็เพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนหมดอายุไขจริงๆไม่มีโอกาสที่จะช่วยได้บางคราวท้ากันบอกว่ากันไอ้คนที่มันจะตายเพราะเหตุนี้ย้า้เข้าไปทําการรบเอาไว้เป็นกองส่งสมเด็จรักษากําลังตอนหลังบ้างแล้วในที่สุดคนนั้นก็จะต้องตายแต่ว่าตายในเหตุอื่น บางทีถูกมีดบาดนิดหนึ่งเป็นบาด ท, ที่ยากตายแต่ว่าไม่เป็นการสีกําลังใจแก่กําลังทหารทั้งหลายความจริงนี่ผมมีเรื่องจะพูดกับท่านมากนะนี่เป็นเท่าคุณท่านว่ามาแต่เด้ว่าท่านถามตอนนี้เลี้ยวเข้ามาก็ต้องพูดให้เป็นประโยชน์อย่าลืมบอกลูกบอกหลานมันว่า ล, ลูกหลานนี่เวลานี้มันอยากจะเล่นลิดเล่นเดช อยากเจินได้ไปไหนจะมาไหนได้ถ้าอยากได้อย่างนั้นให้ฝึกกับให้พยายามปลกตัวไว้แล้ว่าถึงแม้ว่าจะไปไม่ได้กำลังสมาธิก็อย่าส่งตัวมีความเข้มแข็งมันเป็นประโยชน์กับคนพวกนี้มากมันดารูกรักทั้งหลายมองดูเทพเห็นว่าจะหมด เวลามันผ่านไปยี่สิบแปดนาทีเป็นว่าสมคนจกับเวลาแล้วสำหรับเทหนั้นนี้ก็ต้องขอหยุดก่อนขอความปรารถนาสมหวังด้วยประการทั้งปวงที่ท่านเจ้าคุณพานมุมาติแนะนำมายงมีแกบันดาลูกรักทั้งหลายโดยทนนาสวัสดี